สาขาเทคโนโลยีศิลป์คณะศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดกล่อง 2,561 แสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณุ์ของนักศึกษาชั้นปีที่4ณอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนามทรล้านนา7ยอดเมื่อวันที่11มีนาคม2562ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยวนานารินทร์สรศักิ์ อาจารย์ประจำสาขาเปิดเผยว่านิทรรศการเปิดกล่องเป็นพื้นที่แสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีความต้องการของชุมชนสถานประกอบการเป็นโจทย์สำคัญแล้วนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนโดยมีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับสินค้าชุมชนและสามารถแข่งขันกับสินค้าในท้องตลาดได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นี้คือการสร้างคุณค่าใหม่โดยการใช้ความรู้ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความแตกต่างที่เป็นจุดเด่นหรือจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้นๆผลงานของนักศึกษาที่จะแสดงในครั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการลงพื้นที่บริการวิชาการสู่ชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ6จังหวัดประเภททุนพัฒนาโอท็อปซึ่งเป็นทุนวิจัยเพื่อพัฒนายกระดับโอท็อปร่วมกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนโอท็อปและโครงการ MOU ด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและสื่อถึงตัวสินค้าได้เช่น กล่องบรรจุพันธุ์หมูยอลายใบตองกล่องลายการ์ตูนรูปชาวเขาสำหรับบรรจุสินค้าจากชนเผ่ามีจุดเด่นคือสามารถใช้แทนหุ่นแสดงสินค้าเพื่อโชว์หมวกหรือผ้าพันคอได้ธริตตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงานไทยผนึกกำลังอาเซียนกู้วิกฤต WTO หลังกลไกระ ง, งับข้อพิพาททางการค้าไม่สามารถเดินหน้าได้ นางอรมลทรัพทวีธรรมอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศได้รวมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์การการค้าโลก การสัมมน า, าเชิงวิชาการปฏิรูป WTO มุมมองของอาเซียนเพื่อให้สมาชิกอาเซียนได้แลกเปลี่ยนมุมมองและรับทราบความคืบหน้าของการหารือเรื่องการปฏิรูป WTO โดยการสัมมน า, าตระหนักถึงความสําคัญและความเร่งด่วนของการปฏิรูป WTO โดยเฉพาะเมื่อกลไกระ ง, งับข้อพิพาททางการค้าซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของ WTO ที่ใกล้ยหยุดทํางานเนื่องจากไม่สามารถเลือกสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ที่จะวางลงรวม6ใน7ตําแหน่งในเดือน ันนวคมี้ได้ดังนั้นในฐานะที่สมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเป็นสมาชิก WTO จึงเห็นพ้องให้หยิบยกเรื่องดังกล่าวมาหารือในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน2562เพื่อหาท่าทีร่วมกันของอาเซียนรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี